ส่วนใหญ่นะไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าร้อเ็นต์นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากความคิดไม่ว่าความทุกข์นั้นมันจะแสดงอาการออกมาในรูปของความโปรดความเกลียดความเศร้าความเสียใจความขับแค้นใจนอยเนื้อต่ําใจรวมทั้งความโลภความอยากได้ไม่พอใจในสิ่งที่มีมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดและความคิด ตัวสำคัญหรือความคิดในเรื่องสาคัญๆที่ทำให้เราทุกข์ก็คือคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วถ้าเป็นการคิดแบบไคร่ครวนั่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่คิดแบบคร่าครวนหรือว่าเผลอคิดไปคิดถึงเงินที่ถูกโกงคิดถึงคนรักที่ตายจากเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้ว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 สร้างภาพเอาไว้ร่วมหน้าอย่างคนที่ไปตรวจสุขภาพพระหมอนัดนันตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีก3วันมารับผลมาดูผลหรือว่าเอกซเรย์ซีทีสแกนเพื่อหามะเร็งหมอนัดนะให้มารับผลมาฟังผลในอีกสองสาวันข้างหน้า นะพอคิดไปว่าเนี่ยผลมันอาจเจาะมาเป็นลบลบในที่หมายถึงว่าเป็นโรคร้ายนะไม่ใช่เลือดเป็นลบน ะ, ะถ้าเลือดเป็นลบนี่ใครๆก็ดีใจเพราะส่วนใหญ่กลัวเลือกเป็นบวกหรือไปตัวเลือกก็ตามนะกลัวว่าผลตรวเลือกจะเป็นบวกคือเป็นเอชไอวีเพียงแค่คิดเท่านั้นแหละนะว่า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 หรือว่ า, าถึงกับเศร้าซึมไปเลยก็ได้อันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะความคิดนะคิดเรื่องอดีตกับอนาคตหรือบางทีก็คิดถึงเรื่องที่มันเป็นปัจจุบันแต่ว่าเป็นปัจจุบันแบบปรุงแต่งเช่นระแวงว่าหรือปรุงแต่งไปว่าแฟนกาลังนอกใจเพื่อนกาลังจะคดโกงนะหรือหาทางเล่นงาน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 ได้กุฏิได้ที่พักก็เห็นแต่ความไม่ดีของกุฏินั้นเช่นอยู่ไกลทับแคบมีแมงมุมมีตุกแกหรือว่าน้ำํำไฟไม่สะดวกได้เห็นแต่ด้านลบของกุฏิที่พักก็เกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดเท่านั้นไม่พ อ, อยังนึกเปรียบเทียบ ว่าเพื่อนเราหรือคนอื่นเขาได้กุฏิที่ดีกว่ากุฏิเขาอยู่ใกล้กุฏิเขาใหม่ห้องน้ําก็ดีอันนี้ก็ยิ่งทาให้เป็นทุกข์เข้าไปใหญ่เกิดความอิจฉาเกิด ค, ความไม่พอใจอผู้คนจำนวนมากก็ทุกข์เพราะเหตุนี้เยอะนะถ้าไม่มองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบของเพื่อนของสถานที่ก็มองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบของตัวเองไม่มีความสามารถ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 รูปร่างหน้าตาสุดทรงมากหลายคนก็เป็นทุกข์เพราะเห็นแต่ในส่วนที่ไม่ดีของตัวเห็นสิวเห็นฝ้านะเห็นผิวที่ไม่เนียนไม่ขาวยิ่งไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่เพราะเขาหน้าตาหมดจดผมดำสลวยผิวขาวเนียนก็ยิ่งเกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจ กลุ่มบอกุมใจกันเพราะเห็นนี้ก็มากคนที่เป็นแม่ก็เห็นแต่ด้านลบของลูกเรียนก็ไม่เก่งหรือว่าไม่ค่อยมีเรื่อมีแรงไม่ทันคนพูดก็ไม่เพราะหรือว่าไม่รู้จักพูดให้มันเข้า อ, อกเข้าใจ อันนี้ก็ทําให้คนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อนี่ทุกได้ลูกคนอื่นเขาเรียนหมอนะแต่ว่าทําไมลูกเรามันได้แค่เรียนครูนะกลุ้มใจที่เป็นทุกข์เพราะความเปรียบเทียบคิดเปรียบเทียบลองพิจารณาดูเถอะนะแม้แต่นักปฏิบัติธรรมนะก็อดคิดอ่าเปรียบเทียบคนอื่นไม่ได้ ว่าเขาขยันกว่าเราหรือว่าเขาครูบาอาจารย์เอาใจใส่เขามากกว่าเราแล้เกิดความอิชาแล้วก็เกิดความไนื้เนื้อต่ำใจหรือบางทีกเกิดความโลภเกิดความไม่พอใจนในสิ่งที่มีเปิดไปบรรยายบรรยายเสร็จก็เอาหนังสือธรรมมาแจกทีแรกก็เอาหนังสือเล่มเล็กๆมาแจกก่อน ก็คิดว่าจะพอปรากฏไม่พอหนังสือหมดอ่าเพื่นมีหนังสือเล่มเล่มใหญ่กว่าเป็น pocket ็ตบุติดมาด้วยปึ้งนึงก็เอามาแจกปกฏวคนที่ได้เล่มเล็กที่แรกดีใจนะแต่พอเห็นเพื่อนได้เล่มใหญ่ก็เสียใจมีบางคนท่าก็บอกว่ามาหาบอกว่าขอเปลี่ยนเอาเล่มใหญ่ได้ไหมหเล่มเล็กยังไม่ทันอ่านเลย แต่อยากได้เล่มใหญ่เสแล้วไม่ได้ดูแล้วว่าไอ้เล่มเล็กนี่เนื้อหาเป็นอย่างไรเนื้อหาอาจจะดีกว่าเล่มใหญ่ก็ได้แต่ว่าเห็นแค่ว่ามันใหญ่กว่าส่วนคนอื่นก็ได้เล่มใหญ่แต่เราได้เล่มเล็กนะไม่พอใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาอด้นทนไม่ได้มาขอเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบ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 มันยิ่งกว่านั้นคือมันมีความยึดติ ด, ด้วยเพียงแค่คิดแล้วก็วางได้มันก็ไม่ทุกแต่ว่าปัญหาคือพอคิดแล้วเนี่ยไปไปยึดติดในความคิดนั้นจมปรักหัวความคิดนั้นแบกความคิดนั้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตการมองแง่ลบกรุงแต่งเปรียบเทียบถ้ารู้ทัน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 แต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยมันเกิดความทุกข์ในใจตามมาด้วยน้อยคนนะที่จะปวดกายแต่ว่าไม่ปวดใจน้อยคนที่ทุกข์กายแล้วไม่ทุกข์ใจทำไมถึงมีความทุกข์ใจตามมาก็เพราะว่าใจมันไปยึดกับเวทนานั้นนะไป่วยไปยึดกับเวทนายึดว่าเป็นเราเพียงของเรานะควาว่ายึดเนี่ย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 แต่ก็ทุกพาะความปวดความเกลียดเพราะอะไรเพราะไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราครูบาอาจารย์ทีท่านก็นใช้คำว่าไปเข้าไปเป็นไปเข้าไปเป็นแทนที่จะเห็นความปวดแทนที่เห็นความโกรธก็ไปเป็นผู้ปวดผู้โกรธนะเข้าไปเป็นก็คือการเข้าไปยึดนะว่าเป็นเราเป็นของเรา ลองพิจรารณาดูให้ดีทนะความทุกของคนเราเนี่ยนะในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นทุกเพราะความคิดแต่ว่าดูเข้าไปทีเนี่ยมันมีความยึดเข้าไปด้วยถ้าคิดแล้วรู้ทันรู้ระวางนี่มันไม่เกิดอะไรขึ้นใจก็เป็นปกติได้แต่ปัญหาคือว่าที่แรกคิดเพราะเผลอแล้วท่านนั้นยังไม่พอก็ยังเผลอไปยึดมันอีกหลวงพ่อชาท่านท่านพูดสรุปไว้ดีมากว่า ทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเ พ, พราะปล่อยและท่านก็พูดต่อไปว่าทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเ พ, พราะปล่อยเมื่อทุกมีเพราะยึดความทุกจะหายไปก็เพราะการปล่อยอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องเดียวกับนะที่พระ เ, เจ้าก็เคยสอนพระนันทิยาเอาไว้นะพระนันทิญานี่ท่านเป็น ลูกเศรษฐีนะที่มาบวชเพราะว่าเห็นความไม่จรังของชีวิตเห็นเพื่อนเพื่อนผู้หญิงอายุรุ่นลาข่าเดียวกันป่วยตายก็เกิดความโลดสังเวช ท, ทีแรกก็เกิดศรัทธาในธรรมะอยู่แล้วจากการได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากบวชแต่แม่ไม่ให้บวช ไม่เบื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอมาเจอเพื่อนตายอายุก็ยังแค่ยี่สิบกว่าก็เกิดความสลดสังเวชรู้สึกว่าเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเวลาของเราก็อาจจะเหลือน้อยลงไปทุกทีเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความมุ่งมั่นที่จะบวชแม่ไม่อยอมให้บวชก็ถึงกับอดอาหารจนร่างกายผายผอม สุดท้ายแม่ก็ยอมลูกคนเดียวลูกชายคนเดียวก็ยอมให้บวชพระ น, น, นัทิยะนี่านก็ตั้งใจบวชนะแล้วก็วันหนึ่งพระองคุลิีมานก็ซึ่งเพิ่งบวชเหมือนกันเพิ่งรู้จักท่านก็อยากจะฟังธรรมจากท่านให้ช่วยเล่าหน่อยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระนันทิยะก็เล่าเนี่ยที่ได้ยินมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะ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 อย่าเอาลงน้ํำนะเขาว่าอะไรในน้ําก็วางลงตรงนั้นอย่าเอาขึ้นบกวางอะไรก็คือวางทําพูดขอพูดอะไรไปก็วางตรงนั้นแหละไม่เก็บเอามาคิดเขาว่าเราในเมืองก็วางไว้ตรงนั้นอย่าเก็บเอาไปเชตะวันด้วยถ้านะพวกเราวางนะวางแล้อยังนะวางไว้ที่หน้าวัดอะไอยัง หรือว่ายังเก็บมาจนถึงวันนี้นะในอารมณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจความเสื่อมความเสียคําพูดที่เจ็บปวดทิมแทงใจระวังเอาไว้นะที่บ้านหรือตรงที่เกิดเหตุหรือเปล่าหรือว่าเอามาถึงตรงนี้ด้วยนะอันนี้ส่วนขยายนะแต่ส่วนที่ท่านท่านนันทยาพูดเนี่ยก็ ก็พูดตรงนี้แหละนะว่าเขาว่าตรงไหนก็วางตรงนั้นไม่เอาเก็บไปด้วยไม่เอามาแบกเอาไว้นีนนี้เป็นคำคำสอนที่ที่ง่ายมากนะที่เข้าใจง่ายก็คือว่าคนเราทุกเนี่ยเพราะแบกนะไม่ว่าอารมณ์อิทธารมหรืออนิถารมไม่ว่า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 เผอเท่าไหรไม่พอก็ยังไปแบกไปยึดเอาไว้คนเราถ้าหากว่ารู้ตัวเมื่อไหร่นะว่าแบกเอาไว้เนี่ยแล้วรู้ว่าแบกและทุกนี้มันวางนะคราวหนึ่งเนี่ยมีนายตำรวจคนหนึ่งนะเป็นนายตำรวจที่ซื่อสัตย์นะไม่ทุจริตก็มามากราบหลวงพ่อชาสุภัทโทที่วัดหนองประพง์เลย แล้วก็มาบ่นมาระบายนะเรื่องที่ถูกกันแกล้งถูกเจ้านายนะขัดขวางถูกเพื่อนกล่าวหาเลื่อยขาเก้าอี้อันนี้เป็นทุกข์ของคนดีโดยเฉพาะในระบบราชการก็มาระบายให้หลวงพ่อชาฟังเนี่ยนานถึง40นาทีมีแต่เรื่องทุกข์ หลวงพ่อช้าท่านก็นั่งฟังนะท่านไม่ไม่ไม่ซักไม่ไม่เบรกอะไรเลยท่านทนมากเสร็จแล้วท่านก็ถามในะตัวรถคนนี้นะว่านั่นเห็นก้อนเห็นก้อนนั้นไหมเห็นครับมันหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมแบกไม่ไหวครับอา่าถ้าไม่ไหวก็อย่าอย่าแบกมันสิ อันนี้เนี่ยท่านเตือนสตินายตำรวจคนนั้นนะว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยที่คุณทุกเนี่ยเพราะคุณไปแบกเอาไว้คุณบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวถ้าคุณก็ยังไปแบกมนันอีกนตัวเราคนนั้นก็ได้สติเลยนะโอ้นี่เราทุกเพราะเราแบกแท้ๆใครเขาจะทําอะไรกับเราใครก็จะพูดแต่ถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปแบกเอาการกระทําคําพูดของเขามาไว้ในใจเราก็ไม่ทุก นันก็ช่วยทำให้นั้นนันตัวลาคนนั้นนี่ปล่อยวางไปได้เยอะทีเดียวไอที่ผ่านมาไม่รู้ตัวว่าแบกเอาไว้ทั้งที่ ท, ทุกข์ก็ยังเผือแบกอพอได้สตินี่มันปล่อยเลยนะนตัวลาคนนั้นตอนหลังก็มาสนใจเรื่องธรรมะแล้วก็มาสนใจเรื่องสมาธิภาวนาแล้วก็ตอนหลังก็กลายเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานคนหนึ่งนะถ้าเอยชื่อก็คงจะเป็นหลายคนคงจะรู้จัก ก็เป็นคนที่ได้รับเด้รับบุตชนยบุคคลคนหนึ่งนะของวงการตํารวจแล้วคนเราทุบพักความคิดแล้วไปยึดติดความคิดนั้นรวมทั้งไปยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่ามีสติรู้ตัวเมื่อไหร่นะมันช่วยวางได้มันมีหลายวิธีนะที่จะช่วยทําให้เราคลายจากความทุกข์ใจได้เช่นน้อมใจมาอยู่กับปัจจุบัน ในเมื่อมันทุกเพราะอาดีตเพราะไปคิดถึงอดีตอนาคตก็เอาใจมีอยู่กับปัจจุบันสิหรือว่าให้ใจเนี่ยมากำหนดน้อมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างที่นิยมกันคือตามลมหายใจแต่ว่าของเรานี่ใช้การารู้สึกตัวกำหนดที่กายใส่ใจการเคลื่อนไหวของกายความรู้สึกที่กาย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 รวมทั้งปรุงแต่งด้วยความกลัวก็เกิดจากการปรุงแต่งมากเพียงแค่ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นในความกลัวก็หายไปเพราะว่ามันไม่มีความหลงมาปรุงให้เกิดความกลัวหลวงพ่อคำเขียนนั่งเคยเล่านะเมื่อสมัยท่ทานบวชใหม่ๆท่านก็ไปไปอยู่กุฏิที่ไกลๆ จะเรียกุฏิก็ไม่เชิงนะมันเป็นเพิงมากกว่าก็คือไม่มีฝา ม, มีประตูไม่มีหน้าต่างมีแต่หลังคาแล้วก็วันหนึง่งเขาก็เจอศพของผู้ร้ายชาวบ้านก็เอาศพนั้นเนี่ยมาฝังก็จะว่าที่ณนะตอนนั้นเป็นป่าพุทธยานนะมันก็เป็นที่สาธารณะจุดที่เขาฝังศพนี่ก็ใกล้ๆ ก, กับกุฏิของท่านพอกุฏิท่านอยู่ไกล ท่านก็ไปดูนะปกติคนที่ตายแบบนี้นเขาไม่เขาไม่เผาเขาฝังคนที่ตายนี่นเป็นโจร น, นะก็ตายมาหลายวันละศพก็เน่าเขาก็ใส่ลงมาแล้วก็มาฝังก่อนที่จะย้อนลงหลุมท่านก็ไปดูศพ ก, ก็เห็นศพแล้วก็ได้กลิ่นที่เหม็นฝังศพท่านก็ขอ ขอโลงเขาเพราะว่าไม้นี่มันเป็นไม้ดีไม้กระดานท่านขอไม้กระดานเขาสาโลงนี่แหละมาเพื่อจะทำเป็นไม้กระดานนอนไอ้ไม้นั้นมันก็มีกลิ่นนะมีเลื่อนมีหนองติดนะท่านก็เอาไปแช่น้ำเป็นเดือนนะแช่น้ำเป็นเดือนเสร็จก็มาตากแล้วก็มาขัด แม้กะ น, นัน้นก็ยังมีกลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าท่านก็เอามาเอามาทำเป็นเหมือนกับแคร่แต่ว่ากลิ่นมันก็ยังโชยมาโดยเฉพาะเวลาฝนตกมันโชยมาเหม็นพอท่านได้กลิ่นเนี่ยท่านก็จะนึกถึงศพที่ท่านเห็นแล้ววันหนึ่งท่านก็หลับไปท่านฝันว่าไอ้ศพนั้นกลิ่นมาหาท่าน ท่านกลัวนะแต่ว่าท่านเป็นหมอธทำท่านเคยบริกรรมบริกรรมคาถาที่ท่านเรียนมาศพมันก็กลิ้งถอยไปพอท่านหยุดบริกรรมศพก็กลิ้งมาหาท่านอีกท่านสวดมันก็หามันก็กลิ้งออกไปใน้ความเชื่าท่านกลัวนะท่านกลัวแล้วท่านก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็ยังได้กลิ่นเหม็นความกลัวก็ยังมีอยู่ พอท่านรู้ที่ท่านเริ่มสร้างจังหวะเลยพออยู่มือสร้างจังหวะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นกลิ่นเหม็นหายไปความกลัวท่านก็หายท่านบอกว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีความกลัวอีกเลยอันนี้เรียกว่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าความคิดปรุงแต่งมันปรุงแต่งในตั้งแต่ในฝันแล้วแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังปรุงจนได้สึกได้กลิ่นเหม็นแต่พอ ยกมือสร้างจังหวะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความหลงก็หายไปหยุดปรุงแต่งอันนี้ก็เป็นเป็นแง่คิดหนะ้าที่พวกเรานะจะลองไปใช้ดูก็ได้นะเวลาอยู่ปา่าเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาให้รู้ว่าเนี่ยนั่นเป็นเพราะความหลงเป็นเพราะความไม่รู้ตัวปลุกความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นนะด้วยการสร้างจังหวะ การเดินจงกรมมันก็ทําให้เกิดการปล่อยการวางได้การปล่อยวางนะั่นมันทําได้หลายวิธีนะแต่สตินี่เป็นสติหรือความรู้สึกตัวนี่เป็นเป็นเครื่องมือสําคัญเลยเพราะว่ามันทําให้ความหลงหายไปเมื่อความหลงหายไปมันก็หยุดปรุงแต่งมันทําให้เมื่อความหลงหายไปการไปเผยยึด ทั้งบวกและลบทั้งอิทธาลมและอั น, นิธาลมก็ก็หมดไปก็คือวางทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเ พ, พราะพลอยทุกน้อยเพราะเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยทุกหลุดเพราะปล่อยแต่ที่ไม่หลุดก็เพราะว่าไปเผลอยึดมันเอาวไว้เมื่อเผลอนี่อะไรที่เป็นปฏิบัติความเผลออะไรที่เป็นปฏิบัติความหลงก็คือความรู้สึกตัว ความมีสติรู้เท่าทันในเวลาพูดถึงเรื่องการปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยหลายคนก็บอกว่าพูดง่ายแต่มันทำยากแต่ว่าวิธีหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นก็คือสติและความรู้สึกตัวมันยังมีอย่างอื่นอีกนะแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะกรณีเช่นท้าโกรธเนี่ย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 เคลือบเพิ่มหลงไหลเนี่ยไม่ว่าตัวไหนตัวไหนเนี่ยสติความรู้สึกตัวมันช่วยปล่อยช่วยโปรดช่วยวางได้ไม่ได้ใช้กับเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้นไม่เหมือนเมตตากรุณาที่ใช้ได้เฉพาะกับความโกรธความเกลียดหรือว่าอสุภะความพิจารณาถึงความไม่งามมันก็ช่วยปล่อยเรื่อง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 ยังไม่ใช่เป็นการปล่อยวางอย่างถาวรซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันต่อไปอคำที่ันเท่านนี้กราบค่